รายนี้พ่อผิดต่อลูกเจ้าพ่ออีกคนหนึ่งพ่อบักวิตย์บักวิทย์เนี่ยเป็นหลานอาจารย์สวยัยอาจารย์สวัยนี่มีแม่คนหนึ่งแล้วก็น้องสาวคนหนึ่งไอ้น้องสาวบ้าบอนี่ก็ไปเที่ยวหาจะลูกมาให้หลวงลุงเลี้ยงมีผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งหลวงลุงก็อยากจะให้หลานมีการเรียนการศึกษาจุงมือไปที่อุบล จะไปฝากโยมอุปถากให้ช่วยก็ไม่มีใครรับก็เลยเอาไปให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็รับอุปการะให้เรียนตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 จบม .6 แล้วให้เรียนม .7 ต่อตอนนั้นมันมีม .7 ม .8 มันบอกว่าโอ๊ยสู้ไม่ไหวแล้วหลวงพ่อเอาแค่ม .6 นี้ก็พอแล้วแล้วแกจะไปยังไงผมจะสมัครเป็นครูโรงเรียนลาดแล้วจะไปสอบวุฒิครูเอาสมัยนั้น เขายังมีสอบปอมอกันอยู่มันก็เรียนต่อสอบเทียบก็ได้ปอมอจบปอมอไปเป็นครูอยู่ที่นครปฐมภายหลังมารับราชการครูสมัยที่มันเป็นเด็กหลวงลุงจุงมือไปหาพ่อไปบอกว่าเป็นลูกเป็นเต้ามันไล่หลวงลวงุงลงจากบ้านอยู่มาภายหลังมันเป็นอัมพาตแล้วก็ไม่หายเสร็จแล้วก็ต้องออกจากงานเงินบำเหน็จที่ได้มาก็ไม่เท่าไหร่ ผลสุดท้ายครอบครัวก็ไม่มีใครช่วยหาไรายได้ให้เขาหามใส่สามล้อไปหามันไปขอให้มันเลี้ยงไปรับสารภาพผิดมันก็รับว่าเป็นพ่อแต่มันบอกว่าผมยังมีพ่ออุปการะผมอีกคนหนึ่งให้ผมไปถามพ่อผมคนนั้นก่อนถ้าท่านอนุญาตให้เลี้ยงผมก็จะเลี้ยงมันก็นั่งรถมาตอนนี้หลวงพ่อมาอยู่โคราชแล้วมันมาบอกพ่อขรับสารภาพผิดแล้ว เวลาเนี้ยก็เป็นอัมาาพาตช่วยตัวเองไม่ได้เขามาขอให้ผมเลี้ยงหลุงพ่อจะว่ายังไงอ้าวก็ดีแล้วนี่ก่อนตายเขารู้สึกว่าเขามีความผิดเขารับสารภาพผิดแล้วก็รับเลี้ยงเขาเถอะมันก็เลี้ยงจนตายขามือ